บุกทูเก้าสิบสามดวอต์เรอนุประโยคใช้เชื่อมดาดานิอัสคาซิสติฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ ยังไม่รู้ว่าเเมเนีฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ยังไมว่าเนฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ยังไม่รู้ทรศัพยยน์มเนีเขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ ที่รู้บิดที่ยเมเนเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ที่ปรีจี้ยนเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ที่ปฏิเหล่านู้ยียนเมียดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Я пытаю сябе ці думае ที่ р а мяне ่ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมอยากพิจารย์เสบีย์ที่สสยอยู่ต่เดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกห ก, สส ก, หกอ п ы ก а ю с я б ย ці х บ у с і ц ь ён เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า ท ย, ย น, นเพรามนียเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่ายูสอเชีย ah เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ที่ขยนพราดูฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ y not s a t u really l o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 เขาจะเขียนมาหาฉันไหมจินาพิชยนเหมียนมนเขาจะแต่งงานกับฉันไหมเจ้าเจนิซยนสำน้อย